เตรียมตัวทมวัดเจนพร้อมแล้วกราบสามหนเปิดหนังสือไปะภาคหนึ่งเราจะเริ่มจากคำบูชาพระตนะตรัยอระหังสมัมมาสัมพุทโธผะขวาม พระภูมิพระภาเจ้าเป็นพระอระหรันดาเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงราสรู้ชอบได้โดยพระอง์เองพุทธังบควันดังอภิวาเทมี ข้ะเจ้าว่าพิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวัสดโอมภาควาตาธรมโอมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตราไว้ดีแล้วธรร ม, มนามสามีพ้าพระเจา้านามสการพระทามกรสุปฏิปั น, นมนภะคาวะโตสาวกาสังคอพระทรงสาวกของพระภูมิพระพระเจา้า ปฏิบาติแล้วสังฆนามมีคาพระเจ้านอบนมพระสงค์กราณโมตัสสามพระข้าวตัวอรหันต์ัสมมาสมบุรณ์สาม namo adasaba kawato arhato samma samvadasa namo adasaba kawato arhato samma samvadasa ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไครจากกิเลนตราสรู้ชาบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปที่หน้าสิบเอ็ดจะเริ่มจากพุท ธ, ธานุสติตังขอปัญหภาควานตังเนวังกันรรยาโนจจติสทโทภุกะต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 สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรูช้ชาบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมโดวยวิชาเรจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้ว ด, ด้วยดีโลกวิทุเป็นผู้รู้โรกอย่างแจ่มแจ้ง านุตตรโรบุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามาฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุนสานางเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระกวาติมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ ดังนี้พุทธวารันดาวราตาที่คุณาพิยุตโตลพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ ม, มีความประเสริฐแห่งอารหันตคุณเป็นตน้นส่วนทาพิยานะการุนาหิสมาคัตโต มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณานบริสุทธิ์พรเดิโยสุชนะตังกมรังวสุรุพระองค์ใดทรงกระทาชนที่ดีให้เบิกบานดูดาทิตศทำบัวให้บานวันดามหังตมะรันงศิราชาชิเนรรง ข้าพระเจ้าว่ายพระชินนาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นโดยเสียนกลาวพุทโธโยสัพพานินางสรนางเขวัมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรนานกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปารมานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหวาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่หนึ่งด้วยเสียนคราวพวดดาสาหาสมิดาโซวาพุทโธเมสามิกิสโร ข้าพเจ้าเป็นทาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระ์เนื้อข้าพเจ้าพุทธะดุคาสะคาตาจาวิธาตาจายตเสมเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า พุทธัาสสังนิยเตมิสริรัชีวิตันจิธามข้าพเจ้ามอบกายเทาวิชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดันโตหังจริสสามีพุทธเสวสุโภทธิตามข้ า, าพเจ้าผู้วาอยูจ่จากพระพฤตธตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า นาทิเมสารนังอันยงังพุทโธเมสารนังวรังสารณาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวเชนาวัฏยังสัทตุสเน ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพู้ตังเมวันทรมะเนนยังบุญยังประสุตังอิท่าข้าพระเจ้าผู้ไว้ยญญวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นควายบุญใดในบัดนี้ ซาเพปิอันตรายาเมมะเฮสุงตาสเตนยาซาอันดารายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานาอาเยนาวาจายวาเจตสสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี พุทเธกุกขมังปะกาศตั้งมยายางกรรมนาติเตียนนันได้ที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตัวชี้อันดังขอพระพุทธเจ้าจงงดสิ่งทรมวงเกินนั้นการัตระเรสังวริตุงว่พุทเธ เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาตมภาคาวตาธรรมโอภราธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิตฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเอิภาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โฮบานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวพระจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตอนดังนี้สวากาตะตาที่คุณโยควาเนสนาสยม พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาพเจ้าตราสไว้ดีแล้วเป็นตนโยม ก, กับภาคะปริยติวิโมโคขเพโทมเป็นธรรมมันจำแนกเป็นมากพ้นปริยรนิพาน ธรรมโอกุโรกปัตตนาตถธ า, า, าริทาเรียมเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โรคที่ชั่ววันธรรมมหัตมหารังวรธรรมเมตตางหาพะเจ้าว่ายพระธรรมันประเสรดนานอันเป็นเครื่องกะจัดเสียซึ่งความมืน ธรรมโอโยสัพพานินางสรนางเขวมุตตมังพระธรรมได้เป็นสระนาอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันดามิทังสิเรนางอาป้าวาัยพระธรรมนันนันเป็นที่ตั้งแห่งความพระฤกองที่สอง้วยสียนกลา้าว ธ ร, รมมาสาหาสมิธาโสวาธ ร, รมโมเมสามิจิสรุปข้าพเจ้าเป็นทาของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีสระเนือ้อข้าพเจา้าธ ร, รมโอตุกาสากาตาจาวิท า, ด า, าตาใจตาเสมมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกขและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจา้า ธรรมมาสร้างนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทธรรมฮาพระเจ้ามวกายเทาวิชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโดหังจริสามิธรรมมาเสวาสุธรรมามาตั้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม นาทิเ ม, ม, ม, มสารนังัญญังธรรมโมเมสารนังวรังสารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพเจ<ม>้าเอเดนะสัจจวัฒเชนาวัทยาสัทุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันธรรมเนยนยังบุญยังเบสดังอิทามข้าพระเจ้าผู้ววายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ค้นควายบุญใดในบัดนี้สาเปพปพิอันดรายาเมมะเฮสุงตาสเตนจะสาม อันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานาเยนวาจายวเจตสสวาลด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเม ก, กุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาที่เตียนนันดที่ข้าพระเจ้าก็ทาแล้วในพระธรรม รธรรมโมปฏิคันธนตัวเชยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษรวงเกินานานนนการันตเรสังวริตุวะธรรมเอเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนมภ<อ>ากาวโตสาวกาสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ได้ปฏิบัติดีแล้วโ อ, โอชุปติปันโนะปะกะวัโตสาวกสังโฆทรสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ได้ปฏิบัติตรงแล้วยาญาปฏิปนันโนะปะกะวัโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แลมิจิปติปันโนปควะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได ปฏิบัตสมควรแล้วยาทิตังได้แก่บุคคลเรานี้คือจานตาิปุริสายุ่กานิอัฏฐาปุริสาภุคขลคโคแห่งบุรุษสี่โคนาเปียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระขวะโตสาวกสังคน นั่นแหละทรงสาโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าอานยโยเป็นสงควรแก่สการาที่เขานำมาบูชาป า, านยโยเป็นสงควรแก่สการาที่เขาจัดไว้ตอนราม ทากินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานทันจริการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรดำมัญจรีอนอุตรังบุญญเกตังโลกสัสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า นางนี้สัตธรมโชสุปฏิปฏิคุณนาธิยุดตัวพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระศัทธธมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาบิโทอริยาบุคคลาสังคเสโตเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลนั้นประเสริฐแปรตจำพวง ศีร่าที่ธรรมมาบาวราสยยกายจิตตัวมีกายและจิตอันาัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันดามังตามาริยานะคะนังสุดสุดทางข้าพเจ้าว้ายมู่แห่งพระอริยเจ้าเรานั้นอันบริสุทธ์้วยดี สังโคโยสสะพ า, พานินางสารนางเขวมุตตมังพระสงฆ์มู่ใดเป็นสารานกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติธานังวันทามิตั้งสิเรณามข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์มู่นันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความพระหลึกองค์ที่สามด้วยเสียนกราว สังกสาหัสมิดาโซวาสังคโคเมสามิจิสรุอาปเจ้าเป็นท่าของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีสราเนื้อข้าพระเจ้าสังโคดูกาสคาต า, าจาวิทาตาจาหิตาสมัมพระสงฆ์เป็นเครื่องกําจัดทุก ราส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆัสรนิยเตมิสริรันชีวิตันจิทามข้าพเจ้ามอบกายทาวชีวิตนี้แด่พระสุลวันดันโดหังจริสามิสังคสปุปฏิปันนตามข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุติตาม ซึ่งความปฏิบัติของพระสงค์นาตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรังสารนาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชนาวัทยังสัตตุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆมีวันธรมาเนยนัยังบุญยังปัสสุทังอิธาข้าพร ะ, ระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขนควยบุญใดในบัดนี้สาเปพพียิอันดรายาเมมเหสุมตัสเตเจซา อันตรายทาั้งพวงอย่าได้มีแกข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานายเยนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกับมังบะกตังไมยะยังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพาระเจ้ากะทำแล้วในพระสงค์ สังโฆปฏิคันหาตัวเชียนดังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษรวงเกินานานการตะเรสังวริตุงวะสังเคพเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดหนังสือไปที่หน้ายี่สิบ็ อิมินาบุญยากัมเมนานโดยบุญนื้อุทศให้อุปชัยญาคุณตตระอุปชัาผู้เลิศคุณอาจารยุปปการาจาระอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาดาพิตาเจายตะกาทั้งพ่อแม่แรงปวงญาน สุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาพุนนาวันตาณราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาญพระมมาราจินดาจาพรห ม, มานและอินทรานโรกปาราจเทวตาทั้งถวยเทพและโรกบาล ยาโมมิตามนุสชายมมราชมนุษ์เมตมาชาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้ช้องพารัน สาเพสัตาสุขิอนตูขอให้เป็นสุขสารทุกตัวนาอย่าทุกทนบุญญาณิปากตานิเมบุญพองที่ข่าทาจงช่วยอำนวยสุภาพพลสุขังจัตติวิธังเด่นโวให้สุขซ้ำอย่างร้อน กี้ังปเาเปทโวมตาตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาบุญยกรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุดิเสนาจาระ อ, อุทิในปวงสัตว์กีหังสุระเพเจเวา่าเราพรานได้ซึ่งการตาด ตัณโนพาทานาเจตนาตัวจันหาอุปาทานเยสันตานิหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพาณโตมัมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพธาเยวาวะมารัยสินจากสันดาน ยัตตาชาโตภเวภเวทุกทุกภพที่เราเกิดรูชูจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติตังปัญญาอันประเสริบสันเลขอวิริยมีนาพร้อมตั้งความเพียรเริดเป็นเครื่องกูฎกิเลสหาย มารารพันตุโลกาสังโอกาส่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายร<ก>าต <กา S 1> ุญจาวิริเยสุมเมเป็นช่างประทุสร้ายทำลายรังความเพียรโจมพุทธาิดปาวะโรนาโทพระพุทธผู้บระวะรวรนาน ธรรมโมนาทวรุตมโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาทปเจกะพุทธเจ้าพระประเจกะพุทธสมุมสังโคนาทตโรมะมังทวปาสงที่พึงพยามแต่สตามานุภาเวนาด้วยานุภาพนาน มาร o k สังรพันตุมาขอหมูม่มานยาได้ชอมท้าสาบุญญาโุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบปางมารกาสังรพันตุมาอย่าเปิดโรกาสแก่มานเดินต่อไปก็เตรียมสวด บ, บท ตรวจนามยอ่อและกระตามด้วยบทแผ่เมตตานาที่ย2สบสองช่วงรางลัคนายี่สิบสาทั้งเมยญาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด สเพสัตยาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทวงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นอาเวราฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้ต่อกันและกันเลยรามพยาปชาฮุนทูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานับปริหารันดูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาดลให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด จบทำวัดเย็นต่อไปก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันจนกว่าจะได้เวลาอันสมควร